พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าหมองูตายพระงูโอ้ วันนี้รู้สึกอากาศหนาวหนาวเย็นประหลอดลงเก้าหรือสนะิบเนี่ยวันนี้ <c oughs> อากาศหนาวผิดปกติหนาวกว่าทุกวันแต่กับขราวก่อนไม่รู้ว่าอันไหนหนาวกว่ากันคงจะคู่ขี้มั้งพรข่าก่อนมันมันผ่านไปแล้วมันเลยลืมไปแค่คิดว่าวันนี้หนาวกว่า แต่ดูๆเราล้มพ่อมัคงคงเท่าๆกันกับคราวก่อนนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบสี่มกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวัน <c oughs> ที่ว่าหนาวอากาศหนาว ช่วงนี้อากาศปั่นป่วนแต่ถึงยังไงจะทํายังไงได้มาธรรมชาติธรรมชาติของความหนาวถ้าเราเกิดมาแล้วก็มันต้องเจออย่างนี้แหละไม่ร้อนก็หนาวไม่หนาวก็ร้อนแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายมันก็หมุนเวียนอยู่ในนี้แหละอยู่ในโลกแต่ทาจะทํายังไงได้ ถ้าเราอยู่ในบางประเทศทั่วโลกอย่างที่พวกเราได้เห็นเขาก็หนาวยิ่งกว่าของเรานี่ไหนเป็นไหนแต่ทึงยังไงเขาก็เคยอยู่กับความหนาวมาตั้งแต่เกิดเขาก็ทนแต่ทึงยังไงเขาก็รู้รว่ามันหนาวทานไปอยู่ที่อื่นได้ เขากดล่นไปอยู่ที่อื่นขนาดนกเป็ดที่มันอยู่ในใชัยบีลงชัยบีเยียที่เขาว่านจะเท็จจริงขนาดไหนเราก็ไม่ทราบมันก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่ตามหนองน้ำสะน้าเต็มไปหมดหน้านีว่ยอเพราะมันหนีหนาวขนาดนกเป็ดมันยัง เพราะมันมีอาวุธมันบินได้มันก็นหนีแต่สัตว์ตัวไหนหนีไม่ได้มันก็ขุดรูอยู่อย่างมี เ, เห็นเห็นมีขุดรูอยู่เพื่อมันหนีหนาวของมันเหมือนกันสัตว์ตวโลกเกิดมาใช้กรรมของใครของเรา <c oughs> ต่างคนก็ต่างมีกรรมกรรมคือการ จะทำกรรมที่มาเกิดใครๆก็จะไปเกิดในที่ดีๆทางนั้นแหละใครๆก็อยากจะเกิดในที่รวยมีความสุขสุขกายสุขใจไปอยู่นักสถานที่ใดอยากจะอยู่ในที่ปัจจัยสีอุดมสมบูรณ์แต่มันก็ยากจะให้ดังสมความมุ่งมา่นปรารถนา ทุกอย่างเป็นไปได้ยากบางคนก็ใช่ปัจจัยสีสมบูรณ์แต่สุขภาพละ่ะเกิดมาก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่รู้ว่าอะไรแต่เงินคำทรัพสมบัติไม่มีปัญหาสมบูรณ์แต่บางคนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่ว่าอาหารการบริโภคปัจจัยสี่ขาดตกบกพร่องอย่างมากนี่แหละสรุปแล้วก็คือความไม่สมดุลแต่บางคนก็พอทำนองทำเนาทั้งปัจจัยสี่ก็พอเป็นไปสุขภาพก็พอทนไหวอันนั้นนับว่าเป็นบุญ น, นะหลวงพ่อว่านะคนที่ สุขภาพก็พอทนไหวปัจใจสี่ก็พอทํานองทำเนาไม่ถึงกับยากจนอันนี้หลวงพ่อว่าเป็นผู้มีบุญส่วนหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งสุขภาพไม่ดีแต่เงินคําทรัพสมบัติมีมากอันนี้อันนี้ก็หลวงพ่อว่าไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันมันหาความสุขไม่ได้วิตกกังวลอยู่อย่างงั้นแหะแต่ถ้าว่าคนที่ ทุกจนไม่มีอันไม่มีข้าวกอกหมอ้ออันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็ดวิ่งเต้นขวนขวายหาปัจใจสีเพื่อเลี้ยงท้อง เ, อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันสรุปแล้วก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี่ไซกรรมใช้กรรมกรรมคือการกระทา แต่บางท่านบางคนอย่างว่าหาชัพไปในทางที่ไม่ถูกต้องบางทีก็หาหาเงินคำทรัพย์สมบัติให้ทุกแก่ท่านก็มีให้ทุกแก่ท่านในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมาหาตัวเอง บางทีหาเรื่องหาราวใส่คนอื่นเพื่อตัวเองจะได้มีปัจจัยสีมีเงินคำทรัพสมบัติมาเลี้ยงชีพตนเองให้อยู่ได้ไม่ได้คิดว่าคนนั้นเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหนที่เราทำเรื่องให้กับเขาเกิดเรื่องให้กับเขาไม่ได้คิดมีแต่ว่าตัวเองจะได้เงินจะได้ปัจจัยมาใช้ใน ตัวของเราอย่างบางคนไปฆ่าคนอื่นทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวของไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ขัดข้องมองใจอะไรเพียงแต่อยากจะได้เงินแล้วก็ไปทําความชั่วไม่ได้คิดว่าเขาที่ถูกเราการกระทําของเราจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าได้ปัจจัยสีเอามาใช้คิดได้เพียงแค่นั้น บางคนนี่แหละทีนี้กรรมตามสนองในหลักธรรมคำ ส, สอนของพระพุทธเจ้ากรรมชั่วอย่าทำเสดยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังพระพุทธเจ้าท่านยกชาดกเรื่องหนึ่งขึ้นมามีพราหมณ์คนหนึ่งนิสัยไม่นิสัยไม่ดีพูดงาๆ ชอบเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นหมอเนี่ยะเป็นหมองูรักษาคนถ้า ง, งูกัดงูฉกจะเป็นงูพิษ ข, ขนาดไหนก็ตามแต่กอนไม่มีโรงพยาบาลเขาก็เป็นหมอเนี่ยหมอรักษางูหายแต่เนี่ยมันงูไม่ใช่ว่ามันจะกัดขนทุกวี่ทุกวันนานๆจึงมีงูกัดครั้งหนึ่ง แต่าแก่กันเนี่ยเดินตะเวียนไปเรื่อยเนีไปหมัดนั่นไปบ้านนี้เพื่อได้ยินว่างูกัดใครเนี่ยตาแก่ก็ปี๋เข้าไปเพื่อจะรักษาอะไ้สินจ้างรางวัลเพราะว่าเป็นหมอพวกอสลลอฮฺพิษมันมีนะเพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ตาแก่เขาไปเดินไปเดินไปเห็นเด็ก พวกเด็กเขาเล่นกันสนุกสนานกำลังเด็กกำลังสิบสามสิบสี่กำลังขนองขนองพรามคนนี้นก็ไปนั่งเห็นดูคดเด็กเขาเล่นมองขึ้นไปไปเหลือไปเห็นงูงูมันอยู่ในง่าคบง่านาคคบไม้ไม่สูงเท่าไหร่ อะตุ่นนี่งูต้องงูเห่าแน่ๆพอหัวมันใหญ่พักพกหมองูต้องเห็นงูต้องรู้ว่ามันเป็นงูอะไรแต่งูนี่เป็นงูเห่าแน่ละมันทำไมมันขึ้นไปอยู่ตรงนั้นคงคงจะไปหากินหาเหยื่อของมันมั้งแต่นี้นายหมองูนี่ก่หมอรักษาพิษงูนี่ก่อน พราหมคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยเด็กเนี่ยข่าเห็นอหน้าคบไม้นะ่ะมันมีนกเสารเลกานะมีนกสาลิกาลูกนกสารเกาอยู่นั่นนะใครจะขึ้นไปเอาเนี่ยเนี่ยมันอยู่ในนั้ น, นยอยู่หน้าง่าคบไม้นะ่ะไอ้เด็กคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้ามันเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนมนะันเป็นคนนั้นครับทำนะั้นผมขึ้นไปเอาเอแต่แกเด็กคนนั้นก็เลยปีนป่ายขึ้นไป ปิดปลายขึ้นไปพอขึ้นไปกันล้วงมือลงไปที่เดี๋ยวจะไปจับเอาลูกนกเพราะว่าไอ้พรามคนนี้บอกว่าน ก, นกเห็นเห็นนะลูกนกอยู่ในนั้ น, นยุงกิ่งน้าครบไม้ต่นนั้ น, นขึ้นไปเอาเลยเด็กก็ยักได้ลูกนกสัตวกาเน่ะนกแก้วพอขึ้นไปกันล้วงมือลงไปมันไปงูเหา่าตอนนั้นเขาคงจะเตรียมตัวไม่ทันมั้ง เด็กนี่ก็ล้วงไปจับคองูหอบไปดะพอจับงูหอบมันงูเลยพองูเด็กมันก็จับเวียงลงมาเลยเอเหวี่ยงลงมาข้างล่างไอ้พวกคนทั้งหลาก็ยืนธรรมดามีคนหนึ่งขึ้นไปมันก็ต้องไทยมุงก็ธรรมดามก็ต้องยืนอ้าปากคอยมันเป็นอะไรไอ้พรามคนนั้นก็อยู่อยู่อยู่ในละแวกนะนะั้นอะคิดว่ามัน ง, งูมันจะกัดคนนะ่ะ ไม่คิดไม่คาดว่าไอ้น้ำมันจะเวียงงูลงมานะ่ยไอ้เด็กคนนั้นก็จับคองูน้ําเฟียงเนะีะยพ่อเวียงเนะี่ยงูกออ็ลงมากับมาพันกับคอพราม์คนนั้นนะ่ะคอหมองูด้วยกันนดะงูมันก็กัดเลยแหละทีนีน้งูเห่านะพอกัดขึ้นมาแล้วทีนี้งูกัดงูกัดหมองูใช่ไหมเนละไม่มีใครจะรักษาถ้ามัน มันกัดคนอื่นหมองูก็จะได้รักษาใช่ไหมอันนี้มันงูกัดหมองูจะได้มั น, นจะงูงเยื่อจะจะหาอปวดคอปวดงูออกจากคอตัวเองเนี่ยกว่าจะหายานะจะมาใส่เข้าไปเนี่ยที่ไหนได้หมองูก็เลยชักงักงักงักงักกันะเพราะมันกัดที่คอนะเนี่ยถ้ามันกัดแข้งกัดขากว่ามันจะพิษเขา้าไปหาหัวใจใช่ไหม ก่าจะไปหาสมองอันนี้มันกัดที่คอเนี่ยพิษมันก็วิ่งขึ้นไปหาหัววิ่งไปหัวหาหัวใจพางพรามคนนั้นก็เลยซักงักงกักเลยตายฮพอตายขึ้นมาคนทั้งหลายก็มุงมาดูมาดูเอ้าทำไมจึงไปจับงูโยนมาใส่พรามคนทั้งหลายาก็พูดกั น, นเลอเด็กคนนั้นก็บอกว่าเนี้ยพรามคนนี้เนี่ย เด็กทั้งหลายเล่นด้วยกันก็บอกว่าเนี่ยมีนกสรรัลเกาเน่ะลูกนกสาลิกาอยู่ข้างบนอยู่ง่าครบกิ่งไม้นะมันอยู่นั่นนะอืมจะขึ้นไปเอาไม่ใครจะขึ้นไปเอาเน่ะผมก็อยากจะได้ลูกนกกเลยขึ้นไปไมันขึ้นไปที่ไหนได้มันไม่ใช่ลูกนกมันเป็นงูผมก็ไม่รู้ว่างูอะไรแล้วพอจับคอมแล้กูเวียงเลยแล้วเพราะความตกใจอ่ะ พอเวียงก็มากับมาเงี้แหละมันก็มาพันคอพราหม์เลงูก็เลยกัดเจ้ว่าผมผิดทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะเป็นความผิดของเขาเองชาวบ้านก็เลยมาวินิจฉัยเพอเด็กทั้งหลายเป็นสกีพยานเนยะได้ยินพูดอย่างนั้นจริงๆเขาก่อนอุ้งชายจะทํำยังไงนี่แหละพราหมณ์เนี่ยก็ต้องเห็นแน่ๆเห็นงูตัวนั้นที่มันอยู่ข้างบน ถ้าไม่เห็นเขาคงจะไม่พูดแต่ว่านี้เขาพูดว่าเป็นนกเนี่ยชาวบ้านเขาเลยบอกว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวคืออยากจะให้คนอื่นงูกัดตัวเองจะได้รักษาเพื่อจะได้เป็นค่ารักษากับเขาผลที่สุดตัวเองก็เลยตายนี่แหละนิทานหรือชาดกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าการทำกรรม การทำกรรมคิดอยากจะให้คนอื่นเดือดร้อนกรรมนั้นกลับมาถึงตัวเองกลับนั้นกรรมนั้นตามสนองเพราะนั้นการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมให้ผลในปัจจุบัน เพราะตัวเองเจตนามไม่ดีอยากจะให้คนอื่นตายจะคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะได้เป็นค่ารักษาค่าการรักษาคำนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะรักษาให้หายได้ขาดขนาดไหนเพราะงูอสรพิษถึงขนาดนั้นนะมันก็เสี่ยงมันไม่เสียงห้าสบห้าสิบอย่างที่ว่ามันเสียงเจนะ็ดสิบแปดสิบน่ยพรางูเหงูงูจงอาง พิษยาบางทีมันก็ไม่ทันเหมือนกันขนาดงูที่เขากัดที่เขาเล่นอยู่จังหวัดขอนแก่นใช่ไหมบางทีก็งูจงอางกัดก็ตายก็มีที่หมองูเพราะเหตุไรจึงตายก็เพราะนี่แหละบางทีเหมือนพิษมันร้ายแรงมันเอาไม่ทันแต่บางทีกัดก็รักษาได้หายได้สิเ่เจริมอะไรเข้าไปก็ได้แต่บางครั้งมันไม่ทัน นี่นหะมันเสียงถึงขนาดนะโยเสียงอสรพิษนเนี่ยพราหมณ์คนนั้นน่ยมีแต่หวังได้เงินอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าชีวิตของคนอื่นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเขาตกงูกัดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเขาไม่ได้คิดเขาคิดแต่อยากจะได้เงินอย่างเดียวนี่นะให้ทุกข์กับท่านทุกนั้นถึงตัวนี่นกรรมสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้น อย่าไปทำคาชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าอันนี้คือจริยธรรมในนักในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาอันนี้คือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคือความประพฤติคือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดอย่างนั้น เอต่อไปภายภาคหน้านั่นนหะความกิบหายหรือว่าความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราแน่นอนเพราะพวกเราไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเห็นแต่แก่ตัวอย่างเดียวไม่เห็นแก่ใครนะถ้าไม่เห็นแก่ใครนั่นะหลอความเดือดร้อนวุ่นวายทุกทุกหัวและแหงทุกวันนี่กันนี่ เพราะความไม่ได้คิดเห็นแก่ใครนะเห็นแก่ตัวในเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่พักแก่พวกเห็นแก่วงสาคานายาเห็นแก่กลุ่มของตนเองคนอื่นเรือร้อนะไม่ไม่เป็นไรพอคนหนึ่งขึ้นมาก็เอาก็เอากันอีกผลที่ถูกเนี่นนะโลกก็นี้มันเป็นอยู่อย่างนี้สรุปแล้วพวกเราปฏิบัติธรรมอย่าเกิดมาดีกว่า ชำระใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาศวะกิเลสตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเลิศที่สุดนะเพราะว่าเราเกิดมามันต้องเจออย่างนี้แหละเจอร้อนเจอหนาวเจอทุกข์เจอคนผานเจอคนชั่วเจอเกิดเจออะไรต่อมิอะไรที่ไม่พึงปราถนาโจกเจอโรคภัยไข้เจ็บเอผลที่สุดเกิดเจอตายเจอความตายนี่โอ้คานี้นะเออ มันหนีไม่ออกจริงๆเจอความตายนแต่ถึงยังไงเกิดมาพบหน้าชนะเกิดตายอีกเพราะเราเพราไรเพราะเราเกิดเนะพราะนั้นพระพุทธเจ้าพนนอย่าเกิดนะถ้าเกิดแล้วความแก่เจ็บตายจะไม่มีเพราะนั้นอยากเกิดสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรเออคือกิเลสเนะพราะนั้นให้ท่านใช้ชำระกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง ออกจากภัยออกจากใจแล้วนั่นละเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งศูนย์กิเลสกิเลสไม่มีในใจมีแต่ความสุขเพราะนั้กข่อยพวกเราทุกท่านนะทุกหลานทุกคนจต่าญาติโยมพระเนนทุกองค์ให้ปฏิบัติตามาแนวแถวทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นบรมสุข หาความทุกข์ไม่ได้ถ้าเลอกเราเกิดมาในโลกนี่นะแหะเจอร้อนเจอหนาวอย่างนี้แหละมันสุขไหมมันหาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์ต่อนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พร